เข า, าออกจากนอกมุงนอกเท้นีนก็หมายถึงออกจากผมคิดคันมันคิดอล้อย่าไปรู้กับมันให้ตัดผมคิดนั้นทิ้งเขามาคอยเบื้องผมคิดนี้มันคิดมาวูบหนึ่งเขาเห็นเขารู้เข้าเข้าใจมันจะเป็นวิถีบวกกับลบมือหนึ่งเขาคิด้อยเรื่องอะไเดไปเขารู้เรื่องนึงมันก็บาถึงรอยแล้วมันก็ได้เก้าสิบเก้าเท่านั้น วันนี้มันคิดมาซองเรื่องหา่าวลูมันก็ลดลงมาลดลงมาทางที่ก็หลายขึ้นหลายขึ้นทางลบก็ออกไปทางบวกก็ได้ขึ้นมาเป็นนะ่งางฉะนั้นต่อมาเรื่องนี้นะที่จะขุกหัดกันให้หัดเบิ้งของคิดหัดเบิ้งของคิดพอดีมันคิดปุ๊บพันปุ๊บพั น, พพนประมาณเท่าใดแล้วที่ผู้ที่ที่เป็นอาจารย์สอนข้าเจ้า ต้องถามนะปฏิบัติเรื่องรูปนามรู้จั ก, จกแล้วสอนให้เบื้องผมคิดเนี่ยต้องสอนให้รู้จักว่าข้าเจ้าคิดผมได้แล้วอย่างน้อยต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือแปดสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบห้าปอร์เซ็นหันเข้ามาถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะต้องอาจารย์ก็ต้องระมัดระวะังเตรียมตัวเขาเป็นอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวเด้เตรียมตัวจะอไรเลยให้คนนั้นเข้าอยู่ ในห้องอบรมคอยอยากให้ไปมีอารมณ์จะไปพูดไปคุยกับคนอื่นให้คุณนั้นนะ่ะคอยต้องปฏิบัติจริงๆนะครับคอยไปซีไปซีเนี่ยคนคันบูซีเนี่ยมันบูมุจักเนห้องบนบูซิเมนพระพุทธเจ้าของห้องมันเป็นปุถุชนนี่คอยฟังคุณซีละมัจจิเห็นไปนตามเนี่ของครูบาอาจารย์เป็นยังไงพอดีมาจจิเป็นเองนี่เมื่อเป็นเองนะสิว่าหน้ามือเป็นหลังมือ ดำเป็นขาวหนักเป็นเบาโง่เป็นสลดัดหน้ามือเป็นหลังมือแต่กี้มันเอาหลังมือมาเป็นหน้ามือวันนี้เปลี่ยนหน้ากันเลยวันนี้คขมโง่มันมียุทแต่ก่อนี่ขมโง่ไปที่ามมหายไปมีขมสลักขึ้นมาแทนขมดำมันมียุทแต่ก่อน่ะดำมันทิ่หายไปคขมขาวมาันขึ้นมาแทนเป็นควขมเป็นปุถุชนบไปเนี่ยมันที่หายไปคขมเป็นอรไยบุคคลมันจะขึ้นมาแทน แล้วกระิตแทนกันไปตามลําดับลําดับลําดับขึ้นไปเป็นไงคจนถึงที่สุดมันต้องเป็นท้งทันจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วโบผิดคําคสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นข่มโก้ข่มโลคข่มหลงเนี่ยมันบบได้มีที่เขาเขาลงชีวิตเขาเขาโบาเคยเห็นชีวิตจิตใจของเขาเมื่อผู้ใดพูดเรื่องมาวายเขาเขา ไ, ไปจับเ อ, อาโบไม่มือจับได้ โบมินมือจับตวัวอวิชานะไปจับออกมาพอจับออกมาแล้วมันปุง้งมันฟุ้งเลยเป็นสังขารสังขารกรไ็ไปฟุ้งแต่งกันหนั ก, นกและบิ้ลหนักใจหนักใจแล้วเราก็โค้งขึ้นมาและเบิ้เอาระเบือหัจับทุกข์ได้เบิ้มันหนักอย่างน้อยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นได้นะอันนั้นควรไว้ตกละโลกทางเป็นถ้าหากนรกก็เมื่อตายมีแทรกะ เขาตายไปกัไปตกนรกแทนเบื้องหน้าคุณ่ะสตร์น้าแต่เขาบาเหินเณรนรกเมื่ออื่นสาตร์น้าเขาบุาหิเณรเนี่ยเขาเห็นแต่เมื่อเป็นปัจจุบันเท่านี้เมื่อเขาบุามีทุกข์ในปัจจุบันนี้แล้วในบันเนี้เขาบุามีข่มโคตรข่มโรคข่มโลกไอที่ว่าแสดงเขาอยู่ด้วยสติปัญญาเห็นสิวิจิตใจเขาอยู่ในสีิเขาบุามีทุกข์แมนบอนี่เรือเร่องนี้ ม, มีทุกข์เฮแมนบอกขันมีทุกข์แล้วหนักใจแม่น ความหนักก็คือมักขี้หีดเมืนบอสเอาขี้หีดไปอยู่ลงน้ามันจะฟูหรือมันจะจมบันนี้ขันเอาไม้เฮียไม้แห้งๆเนี่ไปอยู่ลงน้ามันจะจมบอสนี่อันนี้ก็คือการฉะนั้นจิตใจหนักๆเนี่ยตายไปแล้วคณะโลกมีจริงๆก็คือขี้หีดนั่นแหละประจมปิ้งลงไปตกนรกพูนโลกกันว่ะบันนี้ขันจิตใจมันเบาแล้ววันเนี้ยคันหักสบันนิพานมีจริงว่ะสินตายไปแล้วก็มันก็เบามาก็บ่จมสิน ฉะนั้นที่ว่าสวรรค์มีผ่านเขาโบาได้เห็นด้วยตาเขาคนโง่มันจะเห็นยังไงมันต้องเป็นคนสละราชมันต้องเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฉะนั้นผู้ใดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจึงว่าเพิ่งว่าได้กระแสพระ ม, มีผ่านได้ดวงตาเห็นทำเพิ่งว่าจิตใจมันบนหนักสั้นเมื่อหากสวรรค์มีผ่านมีจริงสายแล้วก็ต้องได้ไปจริงๆริบต้องพัฒนาดอกอันนั้นโลกก็คือการโบต้องได้พัฒนามันดอก คนไปลักเป็ดลักไก่ลักัวงลักควยผิดกฎหมายนี่เนี่ยเขาจีเทียบไปเห็นหยุดอยู่นี่เนี่ยเห็นตำรวจมาตกใจรถหน้าเสียแล้วเขาจับไปจะไปสอบสวนมาเนี่ยจับสอบสวนเราต้นส่วนปลายโบทูบมาเนี่ยเขาก็จับไปเข้าห้องขังไปเข้าตลาดองซาเ น, นี่ยวันนี้เขาโบดได้ไปลักเป็ดลักไกบ่บาเนี่ยโบดได้ให้ยางโบผิดกฎหมายบ้านเมืองไปยางยางไปเห็นตำรวจเขาก็สบายใจอยู่แบบนี้เขาเจ้าก็ะบ่กจับเขาเนี่ย อันนี้ก็คือกันมันเป็นเรื่องสมมติเด้อันที่เราเนี่ยสถานะจิวการปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติจริงๆให้เข้าใจจริงๆให้เห็นแจ้งรู้จริงๆจึงนําไปสอนคนอื่นรับรองได้จริงๆยังสัตวถ้าหากรับรองคําพูดตัวเองบอดานั้นผิดเพื่อนจะว่าเราจังเนึ่องไปปฏิบัติจังนึ่องมจิไสยได้บอกเขาต้องพยายามปฏิบัติตรงกับคําพูดของเขา ทำพูดของเฮาว่าไปยังซี่มันต้องตรงไปหันทันเรื่องธรรมะมันต้องตรงแท้เดียผิดบอดได้ผิดเคลื่อนไปนิดเดียวกับพาดไปโลดฉะนั้นจีว่ามีวิปัสสนีวิปปัตตมีกิจตญาณตรงกันข้ามเพื่อทำลายวิปัสนาตัวปัญญาของวิปัสนาจากเกิดขึ้นได้ยากเพราะวิปัสสนาเพราะวิปปัตตเพราะจิจตญาณถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่นำมาสอนนั่นรู้จักวิปัสสนาดี รู้จักวิปลาสดีรู้จักจิตญาณดีผู้ที่เดินตามมันกบโบขัดคองเพราะว่าผู้นั้นรู้จักเนี่เอาแล้วผู้นี้เป็นวิปัตโนแล้วคอยแก้ไขวิปัตโนไปเลยเอาแล้วผู้นี้เป็นวิปลาสแล้วคอยแก้ดดไขวิปลาสออกไปเลเอาแล้วผู้นี้เป็นจิตญาณแล้วคอยแก้ไขจิตญาณเอกไปนั่นก็ดเสียเวลาซะนะผู้เดินทางตามจนเมื่อเจริญสติปัฏฐานซีเนี่ย พิกมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพิบตาอ้าปากกอนน้ำลายพ่าน อ, อกไปัมนมครให้มีสติลู้เท่าลู้ทันลู้กันลูกแก้อันนี้เป็นวิธีเจริญสติประฐานสีแบบรัดรัดมันตรงกับตำนานว่าสมมุติตรงกระตำ ร, งต า, รางที่มันมีอยู่ในตำนามีบันไดนนโยนเนนเหียนเลยนี่หลักสูตรนักธรรมสันติ ทำที่มีอุปกรณมากสองอย่างเนี่ยหนึ่งสติคมและลึกได้เนี่ยก็นะลึกได้ในพลิกมือขึ้นกันละลึกได้สนุ่ะสองสำปสัส ญ, ญาความรู้ตัวก็รู้ตัวอยู่นี่สนุ่ะแต่มันบบมีโบเอามาสอนกันอันเนี้เพียตาอยู่นี่เนี่ยรู้ตัวอยู่นี่น่ยหายใจอยู่นี่เนี่ยรู้ตัวอยู่นี่อันนี้แหละเรื่องสติประฐานที่ใกล้ๆแต่มันไปสอนไก่ไก่มันก็นเลยบารู้จักคนที่สอนน่ะนะสอนตามตำหลับตำราซื้อๆนี่นะ ถ้าหากเนีย่ยพอสอนนักธรมปีเนี่ยพอรับรองว่าบวให้มันออกไปพอเต็มนะเนี่ยเนี่ยพอจะเอามันหยุดเสมอเมน่อนะนคุณรู้เสนอคุณอันนี้สอนกันไปตามตำรับตํานามันจะได้ดวงตาเห็นธรรมจากเธอหรื อ, อคันสอนกันแล้วต้องไปนั่งหลับตาตะกอนเนี่ยพุทธโพพุทธโพหรือพองเนอยุบหนาะไปสอนกันยุบุญนนะ่ะมันไ่ได้มาสอนในคัมภีจริงๆเนี่ย เรามาสอนกันในกคมพีจริงๆเราเมืองดูแม่นก็คุณหูเสียคนของมันมีจิตมีใจสู้คนเราเธอหนึ่งโบได้ยินสองเธอมันก็ได้เนี่าทำมันสาหนึ่งเนรเห็นนักทำตีนเราสู้มือสูมือเองก็ต้องคิดมือหนึ่งให้ได้พอมันทอหูอยู่ได้มันกอกหูอยู่สู้มือสูมือเนี่ยนักทำโทรคือกันนักทำเอกคือกันมากอกหูสูมือสู้มือมันก็คุณหูสน่นเนี่ยเป็นว่าคันคนไปฟังธรรมะเจ้าพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรม เยกคนเพื่อนว่าจะข่มจริงให้ฟังข่มผู้จริงคนบ่มอาวุธเพื่อนแสดงทำแต่ละเธอเธอเธอนี่นะมีคนไปฟังทำมาจากพระพุทธเจ้าเป็นลอยเป็นผันเป็นหมื่นเป็นแสนได้ดวงตาเห็นธรรมมึดบันี้คขันหอบฟังเทศจำศาสาเนี่ยขันหอบยังบม่มีความละอายอยู NO. ่กับยังเป็นส like like ัตว์ในรสารอยู่แล้วบันี้เขานบยังโบเซาความกูดเยอะขก็ยังเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วบันี้คขันเอายังโบเข้าใจคําสอนนั้นกับขก็ยังเป็นอสุรกายอยู่แล้วบันี้ มันเป็นทังสั้นนี้จ ย, ยว่าตั้งใจปฏิบัติเรียนหนังสือก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติเพื่ อ, อไปเป็นเครื่องมือเขาซึกไปเขากระจายให้เฮตนาสบายการซื้อการขายของเขากระจายสบายเขากระจายโบ ง, งูเขากระจายสลมีน้อยเขาใส่น้อยมีมากเขาใส่มากอันนี้หาเงินได้น้อยใส่มากมันก็จนซะ น, นัคนน่ะตลอดกินเขา้าคุณเน่พอเบิ่งซมือดี เม็ดข้าตกเรียดลาดพอปานตกไก่กินคุณพระเนรก็คือกันพ่อแม่วก็คือกันแล้วมันซ่อนกันยังไงยังไงลองมองดูเมืองไทยเนี่ยเม็ดข้าตกคนละเม็ดบนนู้นมันจะขนคนต้องสามสิบสี่สิบล้านมันก็สามสิบสี่สิบล้านเม็ดเสนอมาได้ไปยัดสกระสอบมันก็เต็มกระสอบเต็มบนี้นี่เศรษฐกิจมันอยู่นี่ไก่เดี่มันบวชเศรษฐิอยู่ไกลอันนี้บอดายมันกินข้าวเส้นเอปัน ปวดมุดน้ำเนของอันยะอยู่ไม่เข้าบางคนบางคนก็นดีแต่โบม่ได้ซว่าซั่วหมดเลยโบไม่เป็นหมดบางคนก็นเป็นบางคนกะบบเตนเพิ่งสอนจยงสี่หลักประหยัดต้นกรสอนให้รู้จักจริงจริงกิ น, กนขา้าวกินน้ำอันว่ากินขา้าวบ้านอย่าพอเวาอันว่าตามตัวหนังสือว่ากินข้าวเนี่ยอย่าพอมันปากภาษากลางโบค่อยถูกกับตัวหนังสือเพราะอย่าพอโบได้เรียนหนังสือเด็กโบได้เรียนหนังสือ พอเนื่งพอสออย่พอบรอดได้เห็นหนังสือผู้ได้สอนให้ยาพ่อยาพ่อเก่ายาพอบรได้เนี่ยครูเป็นครูละครูเป็นผู้ใหญ่ละยาพอบุเคยจักถือแล้วกับุ่กเคยติดยาพอบุเคยติดติดสำหนักนั้นเนี่ยบุกเคยติดเนี่ยพอเนี่ยพ่อหัวจังสิยาพอบุเคยยึดถือเหมือนกันใครสิว่าจะเนี่ยกระแมนอยู่ยาพอลับคำพูดของมึงยาพอมีผู้มาสอนเนี่ยยาพอถือว่าบุญคุณบุญคุณมากที่สุด การที่จะสนองบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาที่เป็นนอนเป็นขัวขี้ตึงขอนขี้เป็นว่านิทานแม่พ่อเขาเจ็บขี้คนใดไปล่มนอนให้คนขี้ใส่าันผู้หนึ่งบวชผู้นึงเลี้ยงวพมีลูกอยู่สองสามคนและ้ะผู้ใดที่จะตอบบุญแทนคนของพ่อแม่มากกวนี้ผู้บวชผู้บวชตายไปแล้วไปเห็นใส่เปรต น, นั้นลงบนโอ้ผ้าเหลือง จูงพอจูงแม่ถึอันบวชจูงแถวๆนี้บวแมนไหนนี่บวชจูงนี่หมายถึงให้ข้อคิดเป็นธรรมะคุณเด็อันเห็นพระเหลืองๆนี่กะกะจีวา้าเพิ่นมอเป็นสมมตุติเป็นฝูกลาธิฐานแต่หนั้นการจิตตอบบุญคุณของครูบาอาจารย์ในบวถมีทางเนีย่ยพอเข้าใจอย่างสิ้เพิ่นเปรียบไป ว, ว่าเหมือนน้ำดอกบัวขี้แบก็ได้นองดอกบัวขี้แบนกนั้นใบจีแย่ปลาเน้มขูมนองนั้นบูขูมได้ มันกลมบ่ได้กลนอ้อแล้วนกไน้อยบินอยู่ในท้องฟ้าในเช้ามันบินคึงปีบง๊บบังพระอาทิตย์บ่ได้เช้ไปทุกโลกก็ บ, บ่ได้เพรานว่าการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์นั้นยากนะักตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่เขากันยากหนะักที่จะตอบได้คือเขาลบตัวเองการเคาลบตัวเองนี่นหะเป็นการตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่การที่ให้ทําเป็นทานเว้าแทนพระเจ้านี่แหะเป็นการตอบบุญแทนคุณของพระเจ้า อันมีพี่เนี่ยพอเข้าใจบ้แม่นเอาเงินเอาทองให้อันเงินอันทองอันมีอนุเคราะห์เพิ่นแล้วเคาลบนับถือครูบาอาจารย์เคาลบตัวเองเนี่ยพอเข้าใจจีบ่เฮ็ดผิดถ้าทำที่ไหนหรือเห็นเพิ่นกับจเคารบนับถือเพิ่นตามธรรมดาเเพิ่นมากับจเคาลบพระพุทธเจ้ามาหรือครูบาอาจารย์มาเนี่ยพอเขารบเนี่ยพอบ้โบ้เป็นคนลันคับปันเนี่ยพอรู้จักกังซี่จิตใจเนี่พอเนี่ยพอยังกล้ายืนยันรับรองคําพูดของเนี่พอทุกคํา ถ้าพยปฏิบัติแบบนี้เนี่ยพอรับรองได้เอา้าสามปีอย่างนานที่สุดแต่ต้องเฮ็ดกันจริงๆนะเลิกงานนะสามปีปฏิบัติติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นี่นะย่างนานสามปีย่างกลางให้เวลาปีนึงย่างกลางยให้เวลาปีนึงสามร้อยยี่สิบห้าวันแล้วอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่ ม, มือหนึ่งถึงเก้าสิบมือเรกวสามเดือน เรื่องผมโกดโคมโลคโคมหลงเรื่องขุ่กิจมัน่นถือมันนี่สองประเด็นนี้หายไปทั้งบุคคลก็ต้องอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปละในเกณฑ์หกสิบเปอร์เซ็นเรื่องสิ่งจะปรากฏขึ้นมานั้นเอาให้เวลาปีนึงให้เวลาปีหนึง่งเรื่องกินรู้จัก จ, กจำพวกที่กิเลส ย, ย่างยาาอย่างกาไม่ให้เวลาสามปีแต่ว่าตอนสุดท้ายเรื่องอาการเกินดับเถิดบกกำหนดได้ เรื่องเงินเพราะว่าเรื่องติดเองว่าให้ฟังกับบอกเข้าใจเรื่องมงินนี่เนี่ยพ่อที่มีความสามารถจิตพยายามเจาะเข้าไปเลยให้จิตใจบรรลงไปฮัทเป็นอัศญพอคิดอย่าเนี่ยพ่อกล้าได้ครับคู่กรณีพอรับรองได้ลอยเปอร์เซ็นต์คำคู่กรณีพอนี่และเป็นวิธีวิปัสสนุวิปุราต์กิริยานญยพอวะเนี่ยพ่อโบจักมาพอสมควรพ่อเนี่ยพ่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยคไม่ไปเจียไปจําเอาคําพูดของคนนั้นคนนี้เน่ยพอบอจักเนี่ยพาวาเนี่ยพาวาวต่ำกวบจริง พัฒนาจิตใจจริงๆโบเมนคือว่าไปจำำาําคํำว่าของผู้นั้นจําคําว่าของผู้นี้โบเมนเนี่ยพราะบจําเนี่ยเพราะเอาความเห็นเนี่ยเพราะจริงๆเอาเราเนี่เป็นการทอดมาจากดวงจิตจิงใจและไปสอนผู้อื่นเนี่ยพรา็สอนด้วยความจริงใจเนะี่ยพอโบสอนหวังค่าจ้างหลงังวันก็หวังว่าจงให้ผู้นั่นมายกมายอ่อเนี่ยพอบอกสอนเพื่อให้ข้าเจ้าพลุกซื่อนี่นะ เพื่อนสอนน่ะพระเจ้าสอนน่ะเนี่ยเรียนแล้วประวัติป่ะเพื่อนสอนบอกให้ไปเรียนนักทำตีนักทำโทนักทำเอกเรียนมหมมาหากันเนอเพื่อนบได้สอนจังสรรเพื่อนสอนแต่เธอรู้แล้วต้องไปทําหน้าทีไปประกาศไปสอนข้าเจ้าข้าเจ้าทุกแค้ข้าเจ้าหมดทุกนี่เพื่อว่าเธอไปทางหุ้นพวกนั้นไปทางพระยาไปนำการสองคนสามคนนะไปบนละคนเราจี้ไปทางที่ผู้เดียวเพื่อนสอนจังสรรอันนี้เขาบวชเหตุจังสัรนี่เป็น เขาเอาเขาหูแล้วต้องจําไปเอาไปเอาเงินเนี่ยเอาเงินเดือนเนี่ยแบบนี้นี่มันตรงกันข้ามเนี่ยเขาสอนแล้วก็อยากเปูใหญ่เนื้อเป็นครูเนื้อเนี่ยเขาลบคูเน้อี่ยมันตรงกันข้ามทั้งมดืดดังนั้นสิว่าการสอนการเรียนมันจึงว่ามันไก่จากขมจริงมันก็เลยบาได้ขมจริงจ๊กเถือ่อเมื่อสอนเอาจากขมจริงมันจะได้ขมจริงหรือคนนะเมื่อสอนเขาไปจากขมจริงมันก็ได้ขมจริงสินะ ย่าไปเข้าใจว่าพระบุรีเจ้าปรินิพานไปแล้วบม่มีมรรคผลนิพานบ่มีในโลกโอ้อันนั้นเข้าใจผิดมากที่สุดพวกนี้แหละทําลายคําสอนของพระเจ้าโดยบม่รู้สึกตัวเมื่อพระเจ้าจะปรินิพานเนี่ยพระอ น, นุทามนะไว้นะพระองค์นิพานไปแล้วผู้ใดที่เป็นครูเป็นอาจารย์วัดฉันผู้ใดที่แนะนำตั้งสอนวัดฉันจินยกให้ผู้ใดวัดฉันเป็นหัวหน้าเป็นผู้สอนพระพุรีเจ้าบได้บอกว่า ให้องค์นั่นเป็นแกเน้อองค์นี้เป็นแกเน้อเพื่อนบบได้บอกอย่างสัตย์พยนยกให้ทุกคนเป็นแก่เป็นใหญ่แล้วเป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆนะพยนยกให้แล้วพระธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วท่านเพิ่งกล่าวไว้ดีแล้วเขาต้องเคาโลพระธรรมวินยัยกเรียนอันนั้นที่เรียนส็มปฏิบัติที่พระธรรมวินัยนั่นแหละที่เป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนแทนเราเดี๋ยวนี้เราบบได้เอาอยัางสัตยเรียนมาแล้วกับครูได้นักทําตี กูได้นักทำโชว์กูได้นักทำเอฟกูได้มาหาปรเลียนอย่างนั้นอย่างนี้เรารู่น่ยเอาอันลู่อันนั้นมันบทสื่ของเห่าวะ่ะไปเฮียนเอาของผู้อื่นมาเวาวว่ะนี่มันเข้าหลักเลยหลักของเขาหนึ่งนมฆมันเข้าหลักเลยพูดอวดอุตริมนุษธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนเนี่ยมันเข้าหลักไปบางทีเ่วาวนี้มันบุญเรนเราท่นนี้นนนตำรามันบม่ได้จบมาทีเดี แล้วเขามาฟังนุอาเสบานาจะพารานังเนี่ยเราจะไม่เสพคนพานเนี่ยคนพานเราเห็นว่าเขากินเหล้าลี่นเบีย้ยเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนผิดท่นอันนั้นเป็นคนพาโอ้จังนั้นยาิที่สุดแล้วนั่นนะคนพาภาษาคนคนวายคนอาเสบานาจะพารานังหมายถึงซิบุยูดําจิตใจงโง่เนี่ยจิตใจมันคิดปรุงแต่งไปทางที่ผิดเนี่ยเคนมายยางซีนะพระเจ้าเป็นเจาะมาพี่อีกตื้นๆหนึ่งนะ บัณฑิตาหนังจ่าสันบัณฑิตแล้วนักปราชญ์เห็นชีวิตจิตใจของเฮาที่ควรยู่เนี่ยอาศัยรรณาจ้าพาและนะบัณฑิตานังจ่าเสบนาเนี่ยปูซาจา่าภูษานี่ยนางนนควรภูษาสิ่งที่ควรภูซาจ่าปูซาเทวดาภูษาภพทารูปนั่งควรภูษาภูษาควรที่ภูซาสติปัญญาเฮานี่เขาลบตัวเฮานี่ขึ้นสอนมาเนี่ยเอตมะมังคารมุตตะมังว่าสันย่อขันได้ทั้งสามอย่างนี้ก็เป็นสิริมงคลแก่เฮานี่แหละ คนว่าเป็นสิริมงคลแก่เฮาพี่เด้บม่ได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้อื่นนี่โบเมีนได้ใส่สินโบอือเพุทภาพไปสวดนั่นเป็นสิริมงคลอันนั้นกับมียนยูมันไม่ภาษาสมมุติมันเป็นภาษาของคนธรรมดาโบไม่ภาษานักป่าภาษานักป่ามันต้องบูชาตัวเราเขาลบตัวเราการบูชาตัวเราการเคารพตัวเราเป็นเป็นการบูชาพระเจ้า มันเป็นการเคราลบพระพุทธเจ้ามันเป็นการปูซาคนอื่นมันเป็นการเคราลบคนอื่นไปทั yep. ้งหมดพ่อเขาว่าทาผิดว่าพ so ูดผิดบ่คิดผิดแล้วเขาเขารบคําพูดของเขาอยู่เขาน่าเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เขารบพระธรรมเขารบพระธรรมอยู่ใสเนนทุกคนอยู่เนี่ย้าพทุกลูปอยู่เนี่ยมีพระธรรมมัเรื่งเขารบตัวเงาพ่อไปแล้วเป็นการเขารบโมเนมมั วันม่อกี้ไปก้มกาบในนังซีไปก้มกาบอนันนันอนันต์กัมยันยุอ น, นั้นเป็นเรื่องสมมตุติให้เขาเห็นทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนมันเห็นทั้งกายทำเนี่ยส่วนใจนั้งคนบ่ว่าสามารถที่มองทะลุเข้าไปได้เป็นอะไรตอนนั้นที่หลวงพ่อได้ให้คอคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจมือนี้กะเน้นคือกันพระคือกันจำไว้เอาไปปฏิบัติให้เป็นคู่ชีวิตจิตใจของเขา ย่าไปคิดทางทีผิดไปคิดทางที่ผิดแล้วมันเสียปฏิบัติโบถูกปฏิบัติโบได้ผลถ้าปฏิบัติย่างอย่างพว่านี่เนีย่ยพอรับรองในตําราเขาบอกว่ า, วาการเจริญสติปัฏฐานสีให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงสิบห้าวันมีอา น, นิสงส์สอนประการนึ่งเป็นพระอรหันต์ ถ้าหาบ่ปเป็นพระราหัตในซาต์นี้ต้องเป็นพระนาคามีสองพระนาคามีปัจจุบันธาต์พระนาคามีนี่หมายถึงว่ายู่ผู้เดียวสิอันยู่ผู้เดียนั่นขัเจ้าก็หมายถึงบ่อมีผูบ่อมีเมียสิอนนัน้นกับสภาษาคนให้เขาใจทางซันคําว่ายู่ผู้เดียวนั้นบ่ได้บ่ได้มีความปวดความโรคความหลงเนี่ยพอเข้าใจมาสิยู่ด้วย ส, สติปัญญาจริงๆทางซันเนี่ยพอเข้าใจมาสันอันนั้นกัแมนอยู่ผู้เดียวโดเดียวบ่วมีครอบบ่มีภนะูนั่นกับแมนให้เข้าใจ